วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบาิสัตว์ผู้มีความยินดีในธรรมผู้ป่าถนาวิมุตตินิพพานคือการหลุดพ้น จากกองทุกทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมตามที่สถานที่แห่งนี้ได้มีการกระทาก็คือจะมีการแสดงธรรมช่วงแรกสามสิบนาที และตามด้วยการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบอีกสามสิบนาทีเพื่อจะได้กระทากิจที่พึงกระทาเพื่อให้เกิดผลก็คือปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมและวิมุตติธรรม การฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการปฏิบัตเิเป็นการเจริญปริยัติธรรมคือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. เมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วรู้วิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว mm hmm. ก็นำอาไปปฏิบัติ mm hmm. ไปนั่งสมาธิไปทำจิตใจให้สงบ mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรม แล้ว เ, เมื่อได้นั่งสมาธิไปแล้วถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะได้ผลที่ตามมาที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมเป็นธรรมที่สอดคล้องกันเป็นธรรมที่สนับสนุนกันเป็นธรรมที่จะต้องมี เพื่อที่จะให้เกิดผลคือวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทมที่เราจะมาฟังกันในวันนี้ก็คือเรื่องความสำคัญของการสร้างบุญบา ร, รมีสิบประการด้วยกันทำไมเราจรึงต้อง ม, มาสร้างบุญบา ร, รมีกัน เพราะบุญบา ร, รมีนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะผลักดันให้จิตของผู้ที่ได้เจริญบา ร, รมีทั้งสิบนี้ได้เข้าสู่วิมุตตินิพพานได้ไม่ว่าจะมาเกิดในยุคไหนสมัยไหนก็ตามถ้า ม, มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระธรรมคำสอน ผู้ที่ได้สะสมบุญบารมีมา ก, ก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วสามารถศึกษาสามารถปฏิบัติสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคำสอน บุญบารมีที่ได้สะสมมาก็จะเป็นผู้ที่จะผลักดันให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเองเช่นเจ้าชายสิทธัตถะที่มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาพอได้สัมผัสกับธรรมคือการแก่การเจ็บการตาย และการบวชก็สามารถออกบวชได้อย่างรวดเร็วและหลังจากปฏิบัติอยู่หกปีก็สามารถตัดสั้เป็นพระอรหันตะตสมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยอำนาจของบุญบา ร, รมีที่ได้เคยสะสมมาในอดี ต, ตชาตินั่นเองนี่คือความสำคัญ ของการสร้างบารมีทั้งสิบประการถ้าเรามีความปรารถนาต่อวิมุตติคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรามีความปรารถนากับนิพพานอันเป็นบร ม, มสุขก็จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง <c oughs> มีการสร้างบุญบารมีต่างๆอย่างต่อเนื่อง ในทุกภพทุกชาติแล้วมันจะติดเป็นวิสัยเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งหรก็จะก็จะสร้างบารมีไปเรื่อยๆจนกว่าบารมีนี้จะพาให้ไปถึงจุดหมายปลายทางอันเลิศอันประเสริฐต่อไปได้นี่คือความสำคัญของการสร้างบารมีต่างๆ บาลมีทั้งสิบนี้มีอะไรบ้างบารมีข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบารมีคือการมีความปรารถนาดีกับสรบรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานหรือเป็นเทวดาเป็นกายทิพย์ทั้งหลายให้เรามีความเมตตาต่อกันคือมีความปรารถนาดีมีความหวังดีต่อกัน ไม่เบียดกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันการสร้างบารมีเมตตาบารมีนี้มีอยู่สี่วิธีด้วยกันคือหนึ่งสัมเพสัตตาเวลาหหนตุคือการไม่จองเวรจองกรรมกับสรรพัพพสัตทั้งหลายทั้งปวงเวลาที่เกิดความโกรธเกลียดกันเกิดปัญหาต่อกัน<ม>ก็ให้อภัยกันไม่จองเวรจองกรรมกัน พราะเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นถ้าอยากจะให้ใจเราสงบใจเราสบายเวลามีปัญหากับใครเวลาโกรธใครเกลียดใครอาฆาตพยาบาทใครก็ให้ใช้ความเมตตาคือให้อภัยกันไปให้คิดว่าเราเป็นการเรากําลังสร้างบารมีกันอยู่เรากําลังสร้างเมตตาบารมี ถ้าเราบาดนาวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราต้องให้อาภัยได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนี่คือวิธีแรกของการแผ่เมตตาหรือให้ความเมตตาสร้างความเมตตาบาลมีวิธีที่สองก็คืออภัยยาปชาโหนตุไม่เบียดเบียนกันคือทำอะไรไม่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนกับผู้อื่น จะทำอะไรต้องคิดถึงผลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นถ้าทำแล้วทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนก็ไม่ควรที่จะกระทำข้อที่สามของการให้ความเมตตาก็คืออานีคาโหณตุไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้เวลาจะพูดอะไรจะทำอะไรเวลามีอารมณ์ไม่ดี ก็อย่าไปทำร้ายผู้อย่าไปพูดหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้ให้ให้ใช้ความเมตตาให้คิดถึงเขากับเราว่าเขาก็ไม่ต้องการจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บใจฉันใดเราก็ไม่ต้องการที่จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวฉันนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปทำให้เขาทำร้ายร่างกายเขาหรือทำร้ายจิตใจของเขา ข้อที่สี่ของการแผ่เมตตาก็คือสุขีอัตานากริหานันตุจงให้เขามีความสุขทำอย่างไรให้เขามีความสุขได้ทำไปเลยมีขนมให้เขากินได้ก็ให้ไปเลยมีสตางค์แบ่งให้เขาใช้ได้ก็แบ่งไปเลยถ้าเราอยากให้คนที่คนอื่นมีความสุขเราก็คอยสังเกตดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเกิดความสุขขึ้นมา เราก็ให้สิ่งนั้นเข้าไป น, นี่คือวิธีการสร้างบา ร, รมีสร้างเมตตาบา ร, รมีต้องสร้างด้วยการกระทําไม่ได้สร้างด้วยการสวดเวลาที่เราสวดบทแผ่เมตตานี้เป็นการศึกษาวิธีแผ่เมตตาหรือเป็นการทบทวนให้เราเข้าใจวิธีการของการแผ่เมตตาที่ถูกต้อง ว่าจะต้องแผ่อย่างไรแต่ตอนที่เราสวดนั้นเรายังไม่ได้แผ่เมตตาให้กับใครเราจะแผ่ได้ก็ต่อเมื่อเราไปพบปะกับบุคคลต่างๆเจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาที่อาจจะต้องให้ใช้ความเมตตาให้อภัยกันไม่จองเวรกันไม่ทําร้ายกันไม่เบียดเบียนกันให้ความสุขต่อกนอันนี่คือการสร้างเมตตาบรารมี สร้างด้วยการกระทำการสวดนี้เป็นการเป็นการเจริญสติเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งสำหรับบางท่านเวลาจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบยังไม่สามารถกำหนดดูลมหายใจเข้าออกได้หรือมีอารมณ์ขุนมัวกำลังโกรธกำลังเกรียดใครอยู่ก็ใช้บทสวดแผ่เมตตานี้มากำจัดอารมณ์ต่างๆได้ สวดไปจนกว่าอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นจางหายไปแล้วค่อยมาดูลมหายใจต่อดงนั้นขอให้เราเข้าใจการสร้างเมตตาบรารมนีนี้ต้องสร้างด้วยการกระทำเวลาที่เราอยู่กับบุคคลต่างๆเราต้องใช้ความเมตตาเป็นหลักของการของการเชื่อมสัมพันธ์กันสัมพันธ์ทาไมตีที่ดีก็คือความเมตตานี่เอง เมตตาคาจุนโลกโลกเราอยู่ได้อย่างสมบพราสุขก็เพราะมีความเมตตาต่อกันและกันแลวการแผ่เมตตานี้ก็จะทำให้ผู้แผ่เมตตานี้มีความสุขอ น, นิสงของการแผ่เมตตานี้มีอยู่หลายประการด้วยกันเช่น mm hmm. จะมีความสุขสุขทั้งขณะที่ตื่นสุขทั้งขณะที่หลับ mm hmm. เวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้าย แะจะไม่จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษต่างๆเพราะผู้ที่มีความเมตตานี้จะไม่มีศัตรูกับใครจะเป็นมิตรกับทุกๆคนะจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษต่างๆนะจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายะจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาเวลาที่จะทําจิตใจให้สงบ ถ้าจิตมีความเมตตาก็สามารถที่จะทำให้จิตสงบได้ง่ายแล้วเวลาที่จะตายไปก็จะไม่มีความจะไม่หลงจะมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบสุขได้แล้วถ้าตายไปก็จะได้ไปสู่สุคตินี่คือประโยชน์ของการสร้าง เมตตาบารมีซึ่งเป็นพื้นฐานของบารมีทั้งหลายทั้งปวงก่อนที่จะไปสร้างบารมีอื่นได้นี้จาเป็นที่จะต้องสร้างเมตตาบารมีให้เกิดขึ้นให้ได้ก่อนเพราะถ้าเรามีเมตตาบารมีแล้วเราก็จะสร้างทานบารมีต่อไปได้อย่างง่ายดายทานบารมีก็คือการให้ความสุขกับผู้อื่นด้วยการให้เข้าของเงินทองต่างๆให้ความช่วยเหลือต่างๆ ถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะมีความยินดีที่จะให้ความสุขกับผู้นั้นถ้าเรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เหลือกิ น, หกนเหลือใช้เราก็ยินดีที่จะแบ่งปันให้กับผู้นั้นไปก็จะทําให้การสร้างทานบรารมีนี้เกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเรามีเมตตาบรารมีและอันนิสง์ของการให้ทานบรารมีก็จะทําให้จิตใจของเรา นี่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติทาง น, นี้จะทําให้เราได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆกันแล้วก็จะทําให้เรา <c oughs> สามารถสร้างบา ร, รมีข้อที่สามก็คือศีลบา ร, รมีได้ผู้ที่มีความเมตตาผู้ที่ทชอบทําบุญทําทาน <c oughs> ก็จะไม่ชอบเบียดเ <c oughs> บียนผู้อื่นจะไม่ชอบทําร้ายทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนก็จะไม่ลัก ก็จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดปลดและไม่ดื่มสุรายาเมาที่อาจจะทำให้เกิดอาการมึนเมาจนขาดสติไม่สามารถควบคุมการกระทําให้อยู่ในกรอบของความดีงามได้ก็จะสามารถสร้างบารมีคือศีลบารมีได้อย่างง่ายดายถ้ามีเมตตาบารมีมีทานบารมี ก็จะทำให้สามารถสร้างศีลบารมีได้แล้วก็จะทำให้ได้อ น, นิสงส์งจากการมีศีลบารมีก็คือตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอ ส, สุรกายไม่ต้องไปตกนรกตายไปถ้าไม่ได้ไปสวรรค์ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีไม่ต้องไปใช้กรรมในอบาย เพราะศีลนี้จะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจไม่ให้ตกต่ำนั่นเอง <c oughs> แล้วเมื่อรักษาศีลห้าได้แล้วก็จะสามารถสร้างบารมีข้อต่อมาได้ก็คือเนคขมมะบารมีเนคขมมะบารมีก็คือการระ ง, งับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคือออกจากการเสพการ คำว่าเน่คำม ก, ก็คือการออกจากการเสพกามเพื่อที่จะได้ไปไปเสพทำที่ประเสริฐ ท, ที่ที่ดีกว่าก็คือคือความสงบของใจที่ที่จะเกิดจากการจเจริญสตินั่งสมาธินั่นเองก่อนที่เราจะไปทําใจให้สงบให้มีความสุขเกิดจากความสงบได้ เราต้องละเว้นการหาความสุขทางกามให้ได้ก่อนทางตาหูจมูกลิ้นกาย<ม>ก็คือเราก็จะสามารถรักษาสีลนแปดขึ้นไปได้รักษาสีลนแปดก็ได้รักษาสี้นสิบก็ได้หรือจะออกบวชเป็นพ ร, พระภิกษุก็สามารถรักษาสี้นสองรอยีิบเจ็ดได้อย่างง่ายได้<ม><ม>นี่คำ่ะนี้ก็คือก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสพ รูปเสียงกลิ่นลดเช่นถ้าถือศีลห้าได้แล้วก็เปลี่ยนศีลห้าศีลข้อที่สามของศีลห้าจากการไม่ประพฤติผิดในการมมาเป็นการประพฤติไม่ประพฤติกรรมไม่มีการเสพกรรมเลยคือการไม่มีการร่วมหลับนอนกับใครเลยเรียกว่าอบ布拉มจริยาเวราบัี<ม>ถือศีลของพรหมถือศีลพรหมจันท์คือไม่ได้หาความสุขจากการร่วมเพศกัน แต่จะไปหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็เพิ่มสินข้อหกคือไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานเพื่อดับความทุกข์ที่เกิดจากความหิวของร่างกายเท่านั้นซึ่งไม่จาเป็นที่จะต้องรับประทานหลายครั้งด้วยกันรับประทานวันละหนึ่งครั้งก็สามารถที่จะดับความหิวได้ สามารถป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นไปจนถึงวันรุ่งขึ้นได้เพื่อที่จะได้ไม่สร้างอุปสรรคต่อการปฏิบัติจิตตภาวนาเพราะถ้ารับประทานอาหารอยู่บ่อยๆใจก็จะคอยจดจ่อยอยู่การการกินอาหารอยู่เรื่อยๆนึกถึงอาหารก็อยากจะกินนึกนึกถึงขนมก็อยากจะกินนึกถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่ม ใจก็เลยจะไม่มีสติสตางพอที่จะมาคอยควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานได้เพอมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องอาหารอยู่ทั้งวันถ้าถือศีลห้านี้ไม่มีข้อห้ามในเรื่องการรับประทานาหารจะรับประทานวันละกี่ครั้งก็ได้กี่รอบก็ได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ได้แต่ความสุขทางกายนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญบารมีขั้นต่อไปก็คือ อุเบกขาบารมีที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะถ้ากินอาหารมากๆแล้วก็จะเกิดอาการง่วงเหงาหงานอนทำให้ยากต่อการที่จะไปนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วก็จะสับสงบสติจะไม่มีเพราะถูกนิวรันคือความง่วงเหงาหงานอนครอบงําอยู่ถ้าอยากที่จะกำจัดนิวรันอุปสรคที่จะทา ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างเวลานั่งสมาธิผู้ปฏิบัติก็จาเป็นที่จะต้องถือศีลถือศีลข้อนี้คือคือไม่กินอาหารมากเกินไปกินวันละครั้งก็พอหรือถ้าเป็นผู้เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆยังไม่สามารถกินมื้อเดียวได้ก็กินสองมื้อก็ได้แต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันพอหลังหลังจากเที่ยงวันแล้วก็จะให้ห ง, งับการรับประทานอาหาร เพื่อจะได้ไม่ทำให้ร่างกายนี้อิ่มจนมากจนเกินไปแล้วมาสร้างนิวรณ์คือความง่วงเหงาหานอนให้กับผู้ปฏิบัติธรรมไดออถไม้ถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ถือสีนข้อนี้แล้วออมักจะไม่สามารถนั่งสมาธิได้นานนั่งได้ห้านาทีสิบนาทีก็สังกแล้วง่วงแล้วออไม่สามารถนั่งต่อไปได้แต่ถ้าไม่ได้กินอาหารมาก กินพอให้ดับความหิวของร่างกายได้ร่างกายจะตัวเบาเราจะไม่มีความรู้สึกง่วงเหงาหานอนเวลานั่งสมาธิก็จะมีสติสัมปชัญญะที่จะสามารถควบคุมใจให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับอารมณ์ที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้อันนี้ก็คือในขมมะบารมีเป็นสีลข้อที่หก ตามด้วยศีลข้อที่เจ็ก็คือไม่ให้หาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบของมห ร, รสบันเทิงต่างๆไม่ดูหนัง hmm. ดูลิเก <acak S 1> ดูภาพ ย, าพยนตร์ดูการละเล่นต่างๆไม่ได้ดูการร้องรำทำเพลงหรือไปร้องรำทำเพลงไปร่วมงานต่างๆร่วมงานเลี้ยงร่วมงานสังสรรร่วมงานแต่งงานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ ไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆหรือไปเที่ยวตามตามสถานที่ท่องเที่ยวตา่างๆให้เปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่ให้ไปท่องเที่ยวในสถานที่สงบสงัดวิเวกไปเที่ยวตามสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนที่เขามีการจัดหลักสูตรให้มีการปฏิบัติธรรมก็ให้ไปที่นั่นแทนไปปฏิบัติไปหาความสงบจากการปฏิบัติ แล้วก็ไม่ต้องเสริมสวยความงามทางร่างกายด้วยเสื้อผ้าพรที่วิจิตพิสดารหรือด้วยเครื่องสำอางหรือด้วยวิธีการทําเผ้วทาผมต่างๆด้วยน้ํามันด้วยน้ําหอมชนิดต่างๆเป็นต้นเหล่านี้เป็นการเสพการมาสุขเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลสะพ้าที่จะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะไปเจริญบารามีขั้นต่อไปก็คืออุเบกขาบารามี การที่จะเจริญอุเบกขาบารมีได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีเวลาว่างจากกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ว่างจากการหาทางสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ต้องมีเวลาไม่นอนมากเกินไปนนก็มาเป็นสิ่ข้อที่8คือไม่ให้นอนมากเกินไปนอนเพื่อพักผ่อนหลับนอนร่างกายซึ่งปกติร่างกายได้ได้รับพักได้พักผ่อนหลับนอน คืนละสีห้าชั่วโมงก็จะพอต่อความต้องการของร่างกายแต่ถ้าไปนอนบนเตียงสําราญเป็นนอนบนเตียงที่มีผูกหนาหนาที่สุขที่สบาย <Yes. S 1> เวลานอนหลับไปร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาใจก็จะยังไม่อยากจะลุกเพราะความสบายของผูกที่นอนอยู่ <Yes. S 1> ก็จะทําให้ติดความสุขทั้งจากการหลับนอน <Yes. S 1> ก็จะเพิ่มการหลับนอนต่อไปอก สามสี่ชั่วโมงด้วยกันในการเอาเวลาอันมีค่าของการปฏิบัติมาให้กับการเสพการที่เกิดจากการได้รับนอนบนบนเตียงบนผูกที่สบายนี่เองยิ mm ่ง hmm. จำเป็นยิ่งต้องนอนบนบนที่นอนที่ที่ไม่สบายคือนอนบนที่นอนที่เป็นพื้นแข็งแข็งปู ด, ด้วยผ้าปู ด, ด้วยเสื่อก็พอ mm hmm. ต้องการพักผ่อนหลับนอนให้ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอน แต่ไม่ต้องการให้หาความสุขจากการพักผ่อนหลับนอนให้เอาเวลาที่จะเอาเอาหาความสุขจากการหลับนอนนี้มาให้กับการมาเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้เกิดอุเบกขาบารมีจะดีกว่านี่คือเวื่อมภมบาลมีถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็จะสามารถเพิ่มเป็นศีลแปดได้ตอนแรกๆเราก็อาจจะเพิ่มจาก เพิ่มอาทิตย์ลหนึ่งวันก่อนเป็นปกติและรักษาศีลห้าได้ทุกวันพอามาถึงวันพระหรือวันที่สะดวกซึ่งอาจจะเป็นไม่ตรงกับวันพระก็ได้แต่ขอให้เป็นวันที่เราสามารถที่จะมีเวลาให้กับการรักษาศีลแปดได้เราก็มารักษาศีลแปดกันตอนต้นก็รักษาศีลแปดไปอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อนก็ได้ควบคู่ไปกับการเจริญสมาธิ จเจริญอุเบกขาบารมีของอย่างนี้มักจะไปควบคู่กันถ้าเรามาจเจริญเนคขมะบารมีก็แสดงว่าเราต้องการที่จะระ ง, งับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่เราจะได้เอาเวลานี้มาให้กับการจเจริญอุเบกขาบารมีคือทําใจให้นิ่งสงบทําใจให้รวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงปรากฏขึ้นมาเป็นใจที่มีความเป็นกลางก็คือไม่มีความรักชังกลัวหลงในขณะที่อยู่ในสมาธิเพราะใจที่เป็นกลางนี้เท่านั้นที่จะสามารถที่จะเอาไประงับกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ที่จะต้องใช้ปัญญาเป็นผู้มาคอยสั่งคอยสอนอีกที พอเราได้นื้อรรมะบารมีเราไปปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิเราก็จะได้อุเบกขาบารมีพอได้อุเบกขาบาลีใจเราก็พร้อมที่จะไปศึกษาอริยสัจความเป็นจริงว่าความทุกข์ของใจเกิดจากอะไรก็จะพบว่าเกิดจากปัญหาความอยากเกิดจากกิเลสความโลภต่างๆถ้าอยากจะให้ความทุกข์หยุดไปหายไป ก็จำเป็นที่จะต้องมีใจที่เป็นอุเบกขาบาลมีถ้าใจยังไม่มีอุเบกขานี้ใจยังหยุดไม่ได้ยังถูกอำนาจของความรักชังกลัวหลงครอบงาอยู่ใจจะไม่สามารถสามารถใช้ปัญญาคือคาสอ่ความจริงที่ให้รู้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้ในใจนี้เกิดจากความอยากต่าง และเป็นเหตุที่พาให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่อยากจะต้องมาเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็ต้องพยายามระ ง, งับมันให้ได้ถ้ามีอุเบกขาบารมีประกอบกับปบัญญาบารมีก็จะสามารถระ ง, งับความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ พอระ ง, งับความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นวิมุตติขึ้นมาหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเป็นใจที่เรียกว่านิพพานนิบานังปรมังสุ ข, ขังเป็นใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขตลอดเวลาเพราะจะไม่มีความทุกข์ในใจอีกต่อไปเพราะสาเหตุที่สร้างความทุกข์ให้ในใจคือกิเลสตาหาโมหะอวิชชา ก็จะถูกกาจัดด้วยบรารมีคือปัญญาและอุเบกขาบรารมีนี่คือนี่คือเป้าหมายของการสร้างบึงบรารมีต่างๆและการจะสร้างบรารมีเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วและสะดวกก็ต้องมีอาศัยสัจจะอธิษฐานบรารมีคือต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่ว่าเกิดมาพบนี้ชาตินี้จะขอสร้างบรารมีเพียงอย่างเดียว จะทำบุญทําทานจะรักษาศีลจะภาวนาไปไปตลอดชีวิตโือเป็นการต้องมีสัจจะอธิษฐานถ้าเราไม่มีสัจจะอธิษฐานไม่มีความตั้งใจใจเราก็จะโลเลได้บางวันก็อาจจะทำบางวันก็อาจจะไม่ทำวันไหนขี้เกียจก็จะไม่ทำบางวันบางวันวันไหนที่อารมณ์ไม่ดีก็จะไม่ทำ แต่ถ้าเรามีสัจจะอธิษฐานว่าเราจะสร้างบา ร, รมีทุกวันเช่นใส่บาททุกวันเป็นต้นพอถึงเวลาเราก็จะทำหน้าที่ของเรา ท, ทันทีไม่ว่าจะมีอุปสรรคอนไรถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆก็จะทำฝนจะตกแดดจะออกมีอุปสรรคอะไรก็พยายามแก้ไขด้วยด้วยวิริยะบา ร, รมีและขันติบา ร, รมีเราต้องมีวิริยะบา ร, รมีเป็นตัวผักดันสัจจะอธิษฐานของเรา เมื่อเราตั้งใจจะทําทอะไรแล้วเราก็ต้องมีความขยันเป็นผู้ผู้ผลักดันคือวิริยะบารมีไม่ให้ไม่ใช่ความเกลียดค้านความเกลียดค้านนี้ไม่สามารถเรานําเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไดการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ น, นี้ต้องอาศัยวิริยะบารมีขยันความความหมั่นเพียนความขยันหมั่นเพียนนี่แหละเป็นเหตุที่จะทําทให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วถ้าเจออุปสรรคอะไร ขวางกั้นอยู่ก็ต้องใช้ขันติบารมีใช้ความอดทนอย่ายอมแพ้อย่าถอยอย่าท้อถอยพยายามเดินไปข้างหน้าอยู่เรื่อยถ้าเหนื่อยเหนื่อยมากยังไม่ไหวเดินไม่ไหวก็ให้พักก่อนได้แต่ไม่ให้ถอยหลังไม่ให้ยกทงขาวสู้ไม่ถอยสู้ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจเข้าออถ้ามีบารมีทั้งสีนี้สนับสนุนโดยมีสัจจะอธิษฐานวิริยะ แล้วก็ขันติบารมีเป็นผู้คอยผาักดันการสร้างบารมีต่างๆก็จะสามารถสร้างได้อย่างง่ายดายและสามารถนำพาจิตให้ไปสู่วิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างแน่นอนนี่คือความสำคัญของการสร้างบารมีทั้ง1ิบประการนี้ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา เพราะเวลาสาหรับการแสดงธรรมก็หมดพอดีและต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญอุเบกขาบารมีกัน <c oughs> การนั่งสมาธิทำใจให้สงบเป้าหมายก็คือให้ใจนิ่งสงบให้ใจเป็นอุเบกขาขึ้นมาให้ใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าไม่มีอุเบกขาแล้วใจจะโลภจะใจจะรักจะชังจะกลัวจะหลงอยู่ใจยังจะดิ้นอยู่ ถ้าใจดิน้นใจก็จะไม่มีความสุขถ้าไม่อยากให้ใจดิน้นอยากให้ใจนิ่งสงบก็ต้องมีสติคอยกํากับใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะเมื่อคิดปรุงแต่งแล้วก็จะเกิดตัณหาความอยากตามมาจะทําให้ใจไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นวิธีการนั่งสมาธินี้เราต้องการทําใจให้นิ่งให้สงบเป้าหมายของการนั่งสมาธินี้ไม่ได้ให้เกิดปัญญา ปัญญานี้เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราจะทําเวลาอื่นไม่ใช่เวลาที่เราทําสมาธิเวลาทําสมาธิเราต้องการให้ใจหยุดคิดทําให้ใจให้นิ่งให้ได้เพราะถ้าใจหยุดคิดใจนิ่งแล้วใจจะเกิดความสุขขึ้นมาจะเกิดความสบายขึ้นมาเกิดอุเบกขาขึ้นมาจะทําให้ใจนี้สามารถปล่อยวางละความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เวลาเกิดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นล่น ถ้ามีอุเบกขาบารมีมีความนิ่งความสงบใจก็จะไม่รู้สึกหิวโหยสามารถหยุดความอยากเหล่านั้นได้อย่างง่ายดยายการที่จะทําให้ใจหยุดความอยากให้นิ่งสงบได้ก็ต้องมีสติคอยกํากับใจเวลานั่งสมาธินี้ต้องมีสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูที่ปลายจมูก จะใช้คำบริกรรมพุโทโธก็ได้ก็อยู่กับคำบริกรรมไปถ้ายัางดูลมไม่ได้บริกรรมพุโทโธไม่ได้จะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดบทแผ่เมตตาไปก็ได้สัตเปสัตตาเวลาหุนตุให้อารมณ์เหล่านี้เป็นเครื่องผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้าปล่อยให้ใจคิดแล้วใจก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วจะทาให้ไม่สามารถนั่งนั่งนั่ ง, น, งนั่งสมาธิต่อไปได้ แต่ถ้าใจถาใจมีอารมณ์คอยควบมีสติคอยควบปุมให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานกรรมฐานเหล่านี้ก็จะกล่อมใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความเย็นเกิดความสุขเกิดความสบายขึ้นมาในเวลานั่งเวลามีอะไรมากระทบมาสัมผัสให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจจะมีเสียงเข้ามาก็ดีจะมีภาพปรากฏขึ้นมาก็ดีจะมีความคิดอะไรต่างๆขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้ให้กลับมาอยู่ที่ อารมณ์ของกรรมฐานที่เราใช้อยู่ในขณะนั้นถ้าดูลมก็กลับมาหาลมท่านพุโทโธก็กลับมาหาพุโทโธถ้าสวดมนต์ก็กลับมาหาบทสวดมนต์หรเราจะใช้วิธีอื่นก็ได้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างของกรรมของกรรมฐานซึ่งมีถึงสี่สิบชนิดด้วยกันที่เราสามารถใช้ตามตามจริตของเราได้ถ้าเราเคยใช้กรรมฐานแบบไห น, นแล้วทําให้ใจสงบเราก็ใช้กรรมฐานแบบนั้นได้ ไม้จําเป็นที่จะต้องใช้กรรมาฐานเหมือนกันแล้วต่อไปนี้ก็จะมานั่งสมาธิกันจนกว่ า, า จ, จะหมดเวลา <c oughs> ตอนนี้เวลาสงหบการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกทุกครั้งเวลานั่งสมาธิให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบไหมถ้าสงบก็ให้สังเกตวิธีนั่งของเราว่านั่งแบบไหนอย่างไร สติของเราเป็นอย่างไรเราจดจำวิธีนี้ไว้พอขราวหน้าเวลาเรามานั่งอีกก็ใช้วิธีเดิมอย่ามานั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความสงบจะไม่เกิดขึ้นจากความอยากแต่จะเกิดจากการนั่งสมาธิที่มีสติที่ถูกต้องแล้วต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะไรวะหาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกาปติอิช e ิตังปะชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนาราสุยะถาเมณิโชติ ราสุยทาสพิติโยวิวาชนตุสัพโรโววินัสตุมาเตภวะตวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวะอภพิวาธนศีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวะทาันติอายุวันโอสุขัง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 วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง f ฟ c e b o o สามร้อยยี่สิบเก้าระสุชาตไลฟ์สามร้อยสี่สิบหกดรวสี่สิบสี่วิทยุออนไลน์เก้าคลับเฮสามหน้ากุตร้อยเก้าสิบสองรวมเก้าร้อยยี่สิบสามค่ะใครอยากจะถามเชิญถามได้เลยมีคำถามเปล่าอตุลไม่มีเลเพื่อจะมาถามอะไร คำถามจากคุณอนิจจังทุกขังอนัตตาค่ะหากมีญาตินอนป่วยหนักจากการผ่าตัดสมองแล้วญาติไม่มีสติไม่สามารถบอกให้อนุโมทนาบุญได้ แต่ทางญาติๆมีการทำบุญถวายสังฆทานสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญกรรมฐานและน้อมจิตระลึกบุญให้ทางญาติที่ป่วยหนักจะสามารถได้รับผลบุญกุศลที่ตั้งใจทำให้ได้หรือไม่เจ้าคะเพรานั้นทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนนั่งมวยโดนชบยกนับแปนี้ถ้าบอกจะทำบุญต้องทำตอนที่เรายังมีส ต, ติมีกำลังวังชาสามารถเคลื่อนไหวทะไรได้เองอยู่ ถ้าถึงเวลาที่เราทําอะไรไม่ได้แล้ควคนอื่นทําให้เราไม่ได้เราก็อย่าประมาทให้รีบทําเสียตั้งแต่ตอนนี้อย่าไปรอให้เรา น, นอนอยู่ในห้องไอซูแล้วก็ให้คนอื่นก็มาทําให้เราทําไม่ได้หรอกบุญ ไ, ได้ก็น้อยเช่นบุญอุทิศที่เราทําให้กับคนตายเนี่ยก็ได้นิดเดียวแต่บุญส่วนใหญ่ถ้าเราอยากจะได้เราต้องทําเองตอนที่เรามีชีวิตอยู่ บางทีโยมเห็นนิมนต์พระมาแล้วก็ญาติช่วยจับมือผู้ป่วยให้ไม่ได้นะก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งปีทั้งชาติเราจะตายให้พระมาจับมือให้ันหน่อย<ค>ทีนี้าทางลัดเถอค <laughs> คำถามอีกข้อจากท่านเดียวกันค่ะ โยมป่วยหลายโรคจะมีเวทนาทางกายมากหากกำลังนั่งปฏิบัติภาวนาหรือระลึกภายในอริยบทต่างๆในระหว่างวันแล้วเกิดอาการเจ็บปวดร่างกายมากโยมควรใช้การกำหนดบริกรรมพุทโธหรือดูตรงความเจ็บปวดทางกายตรงๆเลยเจ้าคะเวลาเจ็บป่วยหลายโรคทำให้โยมเกิดอาการกำหนดไม่ไหวใจคอยจะฟุ้งซ่านคิดมากเรื่องกายเจ็บป่วยเจ้าคะ่ะก็ยอมรับมันเท่านั้นเอง ที่เราทรมานเพราะเราไม่ยอมรับมันไม่อยากให้มันเป็นอยากให้มันหายพอมันไม่หายตามใจเรามันก็เลยทําให้เราทรมานก็ยอมรับเสียทอ้าวมึงจะอยู่ก็อยู่มึงยับเจ็บก็เจ็บะในเมื่อเราห้ามเขาไม่ได้ขับไล่สายส่งเขาไปไม่ได้ก็ต้อนรับเขาสิยินดีต้อนรับอพอเรายินดีรับเขาแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ทันทีเลยนี่ในกรณีที่เราใช้พุโทโธไม่ได้ หรือจ้องดูอาการเจ็บแล้วมันยังอยากให้มันหายอยู่เราก็ต้องใช้ความจริงความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้อาการเจ็บปวดทั้งหลายหายไปพอมันไม่หายก็เลยทําให้เราทรมานเพราะเราไม่อยากจะอยู่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราต้องยอมรับว่าบางทีมันก็เหมือนฝนฟ้าอากาศเนี่ยฝนตกนี่เราจะไปห้ามไม่ให้มันตกได้ไหมอยากให้มันหยุดได้ไหมถ้าไปอยากแล้วมันก็จะทําให้เราเครียดซึ่งหนา แต่ถ้า เ, าเออดีฝนตกเดี๋ยว เ, เล่นน้ําฝนสัหน่อยออมันก็กลับกลายเป็นความสุขได้พยายามปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสอันนี้เจ็บก็บอกโอ้ดีจะได้ช้อไม่ก่อนตายเวลาตายจะได้ไม่ทุกข์ อ, อันนี้มีข้อสอบให้เราทําให้ข้อซ้อมให้เราทําคําถามฝากถามจากหน้ากุฏิค่ะมาอยู่วัดและยังปฏิบัติไม่ดียังมีความเหงาและยังปรับตัวกับชีวิตไม่ค่อยดีควรทําอย่างไรคะต้องทําบ่อยๆ เวลาเริ่มต้นใหม่ๆมันก็เป็นอย่างนี้เพราะเราเคยอยู่กับสิ่งแวดล้อมต่างๆพอเราต้องมาอยู่คนเดียววิเวกวังเวมันก็เลยเกิดความเศร้าขึ้นมาเกิดความเหงาขึ้นมาเราต้องพยายามเวลาที่เรามาปฏิบัตินี้อย่าปล่อยให้ใจอยู่เฉยๆต้องมีสติกำกับใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปอยู่กับบทสวดมนต์ไปหรืออยู่กับการฟังเทศฟังธรรมไปให้ใจมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ พอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วไม่สามารถไปเจอเขาได้ก็ทําให้เราเหงาขึ้นมาเศร้า<ม>ขึ้นมานั้นเวลาปฏิบัติทรรต้องปฏิบัติจริงๆวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือต้องมีสติตลอดเวลาคอยกํากับคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ได้แล้วใจจะเย็นแล้วจะไม่เหงาจะไม่รู้จะไม่เศร้าจะมีความสุขขึ้นมาคำถามสกุลใบเรียนมีสองคำถามค่ะ ข้อแรกทราบว่าการโกหกนั้นเป็นบาปแล้วการโกหกคนหนึ่งคนกับการโกหกทั้งประเทศบาปเท่ากันไหมคะคนคนคนโกหกก็เท่ากันแต่โกหกกี่กี่คนตัวคนรับก็คนเดียวที่จะรับผลบาปแต่คนที่เขามาจองเวรจองกรรมนี้ก <c ười> ็แล้วแต่ไปไปหลอกเข้ามากน้อย <c ười> <c ười> ถ้าหลอกมากเขาก็มาจองเวรจองกรรมเรามาก เวนาจจะมากแต่บาปนี่เท่ากันบาปโกหกคนเดียวกับโกหกสิบคนนี้บาปก็เท่ากันแต่เวนที่เราสร้างนี่มันแล้วแต่คนที่เราไปทำให้เขาเกิดความจองเวนกับเราเป็นเจ้ากรรมในเวนเราถ้าไปโกหกสิบคนมันก็ถูกสิบคนมาจองเวนจองกรรมเราคำถามข้อที่สองค่ะ คนสมัยนี้คบกันอยู่กินกันฉันผัวเมียแต่ไม่ได้แต่งงานกันถ้าอีกฝ่ายนอกใจไปมีสัมพันธ์ชู้สาวและหลับนอนกันถือว่าผิดศีลข้อสามไหมคะก็มันการอยู่ร่วมกันก็ต้องเป็นคนรักเดียวใจเดียวผัวเดียวเมียเดียวถ้าไปมีมากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นการมาเพิ่มผิดในการมอย่างนก็จะแต่งหรือไม่แต่งจะจดทะเบียนหรือไม่จดยังไม่สําคัญ สำคัญเขาให้รู้คู่ครองของเราว่าเขาเป็นคู่ครองของเราเราต้องมีคนเดียวเขาก็ต้องมีคนเดียวอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการบะรพที่ถูกต้องในกลางถ้าถ้าไปมีนอกใจไปมีบ้านน้อยบ้านใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นการบะพผิดในกางนะคาถามฝากถามจากหน้ากุติโยมสุพรรณค่ะ เวลาทำสมาธิจิตสงบตั้งมั่นนิ่งแล้วจะพบความว่างโล่งเบาเราจะต้องทำอย่างไรต่อคะทำบ่อยๆทำานานๆให้มันเป็นอย่างนั้นนานๆจนเวล า, เาออกจากสมาธิมาก็ยังโล่งยังว่างอยู่ให้ใจเราว่างเราโล่งอยู่ตลอดทั้งวันให้ได้แล้วใจเราจะมีความสุขมากคำถามจากนากุติคะ่ะสภาวะพังขยาน พังขยานมีลักษณะอาการเป็นอย่างไรโปรดเมตตาอธิบายค่ะคุณไม่รู้หรอจะรู้เลยถามกูเข้าดูถามกูเข้าดูคำถามจากคุณอิงชอยจากอินบ็อกซ์ค่ะมีสามคำถามข้อแรกถ้าหากเงินหรือสิ่งของที่ทำบุญมามาจากเงินกงสี แต่คนที่ซื้อของและนำไปทำบุญบริจาคเป็นคนคนเดียวตลอดแต่มีการส่งรูปหรือบอกกล่าวครอบครัวก่อนและหลังการไปทำมาค ร, ค, ครอบครัวบางคนก็อธิษฐานจิตก่อนและยังอนันโนทานมิในภายหลังแต่บางคนก็ไม่ได้สนใจเลยไม่ทราบว่าหากคนนำไปถือว่าเป็นการทำให้ครอบครัวและแผ่เมตตาไปให้กุศลกุศลให้ทุกคนในครอบครัวทุกคนในครอบครัวใจรับบุญกุศล น, นี้เหมือนกันทุกคนไหมคะ อยู่ที่ความยินดีความยินยอมถ้ายินดียินยอมก็จะได้บุญได้กุศล ไ, ได้ความสุขใจถ้าไม่ยินดีไม่ยินยอมมก็จะไม่มีความสุขใจไม่ได้บุญอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ใจคําถามข้อที่สอง ถ้าหากทําบุญแต่มุ่งเน้นว่าอยากจะทํากับที่ที่โปร่งใสได้รับใบอนุโมทนาบุญชัดเจนและอีกทั้งยังสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้จะถือว่าเป็นการทําบุญแบบบริสุทธิ์ใจและได้บุญเต็มที่เท่ากับการไม่หวังการลดหย่อนใดๆ ไ, ไหมคะถ้าหวังการลดหย่อนก็จะไม่ได้เต็มที่ถ้าเราทําน้อยหนึ่งแล้วเราไปเอาคืน10บาทก็เท่ากับเราทําแค่90บาทถ้าเราอยากจะทําทให้เต็มร้อยเราก็ไม่ต้องไปเอาคืน ให้ไปหมดเลยส่วนเรื่อง อ, อ, อีกเรื่องเขาถามมานะเมื่อกี้อ๋อข้อถามว่าเ อ, อจะได้บุญแบบบริสุทธิ์ใจและเท่ากับการไม่หวังการลดหย่อนใดๆไหมคะคือเมื่อกี้ถามสองเรื่องเรื่องของการที่เราจะตรวจสอบผู้รับว่าเขาบริสุทธิ์หรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้ก็ควรจะทําทเพราะเราไม่ต้องการจะถูกหลอกลวงให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เขาพูดนี้แล้วเอาไปทําตามที่เขาพูด เราไปสร้างโบสถ์ก็สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็สร้างเจดีย์ไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นอันนี้เพื่อป้องกันการโกหกหลอกลวงไม่ต้องการส่งเสริมอันนี้เราก็ทำได้เพราะเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้มีการโกหกหลอกลวงกันเยอะเราก็ต้องระมัดระวังอันนี้ทำได้เป็นการรอบครอบเพื่อให้เราได้ทำประโยชน์อย่างเงินทองที่เราบริจาคไปจะได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง คำถามข้อสุดท้ายจากท่านนี้ค่ะถ้าทําบุญในนามบริษัทคนที่จะได้บุญคือใครคะและถ้าแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้เทวดาแล้วเจ้ากรรมในเวงของบริษัทจะได้รับไหมคะคนที่ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทนะคือเป็นใครเป็นเจ้าของของบริษัทคนนั้นกขเป็นเจ้าของเงินเขาก็จะได้บุญ <Okay. S 2> และเขาอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวงหรือเทวดาที่คุ้มครองบริษัทก็จะได้ไหมคะ คือได้แต่เขาไม่รับหรอกผู้ที่จะรับก็มีแค่เปรตเท่านั้นเองเวลาทำบุญบุญอุทิศนี้สำหรับเปรตไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรหรือหรือใครก็ตาม okay, อันนี้เขาเขาไม่ต้องการบุญที่เราอุทิศไปแล้วเขาต้องการล้างแค้น <laughs> คำถามจากคุณออฟค่ะ รบกวนสอบถามพระอาจารย์ครับเวลาผมนั่งปฏิบัติผมสามารถทนดูความเจ็บปวดได้ดีพอสมควรครับคืออดทนได้นูมันได้แต่ความคันนี่ผมผ่านมันไม่ได้ไม่ได้ตลอดทนได้สองสามครั้งก็ต้องเอามือไปเกาจนได้ขอกราบพระอาจารย์แนะนำหน่อยครับ <ไป S 1> ผมยพยายามไม่สนใจแล้วแต่บางทีก็มาดูที่ลมหายใจแต่ไม่ได้ค่ะใชลมไม่ได้ก็ใช้คาบริกรรมไปบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเนื้อส่วนมลไป ให้ใจเราคิดอยู่กับคําบริกรรมคิดอยู่กับการสวดมนต์จนเราลืมกอาการคันไปได้คําถามจากคุณวัฒนาค่ะเวลานั่งสมาธิดูลมเข้าออกตรงปลายจมูกบางครั้งว่างจนกระทั่งมีบางครั้งรู้สึกอึดอัดมีลมหายไปจะคอยตามดูลมบางครั้งก็รู้สงบลึกเข้าไปแต่ว่าได้แค่ชั่วขณะเดียวขอเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะค่ะก็ทําต่อไป ให้ดูเฉยๆอย่าไปมีอารมณ์กับการดูอย่าไปดีใจเสียใจให้รู้เฉยๆเราต้องการให้ใจนิ่งให้สักแต่ว่ารู้คำถามจากคุณพิมพรวิค่ะถ้าคนที่เป็นพระโสดาบันมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เขาจะจำได้ไหมคะ อ, อ๋อเขาจำอะไรเนะ่ะถ้าถ้าถ้าเขาไม่มีความสามารถระ ล, ลึกชาติได้เขาก็จะจำอะไรไม่ได้อดีตชาติ อันนี้เป็นเป็นความความสามารถพิเศษอีกอย่างคือการเาลึกชาติได้ไม่ได้ไม่ได้ติดมากับพระโสดาบันแต่ถ้าแต่เขาสิ่งความเป็นโสดาบันของเขาเนี่ยจะติดไปกับเขาเขาจะรู้ว่าเขาเป็นโสดาบันแต่เขาไม่รู้ชื่อของโสดาบันเขารู้อาการของโสดาบันว่าไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเป็นตน้นคำถามจากคุณชาญยุทธ์ค่ะ ติดดีในทางปฏิบตัติคือติดสุดในชาตติดยาความรู้พิเศษอะไรเหล่านี้หรือเปล่าครับก็คือติดการติดนี้มันก็มันก็สามารถติดได้ถ้าเรายังเรายังต้องพึ่งพาสายมันอยู่เหมือนกับเพือติดยาถ้าเรายังไม่สบายเราก็ต้องกินยาไปก่อนแต่ถ้าเราหายแล้วเราก็ควรจะเลิกกินยาอย่าไปติด ทำที่เราปฏิบัตินี้ก็มีถุงจุดหนึ่งที่เราจะต้องเลิกไม่ต้องติดกับไม่ต้องปฏิบัติคือเราสามารถอยู่เฉยๆแบบไม่ต้องมีธรรมะมาดูแลจิตใจเราได้เพราะว่าเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์นั้นได้ถูกกาจัดไปหมดด้วยการปฏิบัติอย่างฉะนั้นถ้าเรายังมีความทุกข์อยู่เราก็ต้องติดสมาธิติดความสงบได้อยู่ติดเพื่อทาให้ใจเราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ แต่ถ้าเราอยากจะขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงกว่าสมาธิคือขั้นปัญญาเราก็อย่าไปติดสมาธิเราต้องพยายามใช้ใช้ใช้ปัญญาแทนสมาธิเพราะถ้าเราใช้สมาธินี้เราจะแก้ปัญหาได้แบบชั่วคราวดับความทุกข์ได้ชั่วคราวในขณะที่เราอยู่ในสมาธิแต่ถ้าเราต้องการแก้ความทุกข์ดับความทุกข์อย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาแทน อีกคำถามจากท่านเดียวกันค่ะแล้วยานความรู้พิเศษนี้สามารถมีทุกคนหรือแค่บางคนครับแล้วแต่ว่าสนาบารมีที่ได้สะสมมาบางคนก็ได้ความรู้พิเศษต่างๆบางคนก็ไม่ได้คำถามจากคุณแววมณีค่ะผู้เริ่มปฏิบัติใหม่ต้องนั่งสมาธิปฏิบัติอย่างน้อยวันละเท่าไหร่คะทำเท่าที่ทำได้ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดี คำถามจากคุณทีกาตนาตราบใดที่มีการเกิดก็ยังจะมีความทุกข์อยู่กับเราตลอดเวลาใช่ไหมคะนอกจากจะบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลเช่นพระโสดาบันเป็นต้นไปความทุกข์จึงจะเหลือน้อยมากใช่ไหมคะถ้าเป็นพระอริยะบุคคลความทุกข์ก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับขั้นของพระอริยยิ่งสูงความทุกข์ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าถึงขั้นสูงสุดความทุกข์ก็จะหายไปหมด คำถามจากคุณคณิ t ฐาค่ะผู้ป่วยติดเตียงแต่ยังสื่อสารได้ทุกอย่างหากเรานำสังฆทานให้อธิษฐานและนำไปถวายพระแทนแทนคนป่วยเราจะได้รับบุญนี้โดยตรงไหมเจ้าคะคนป่วยต้องเป็นคนสั่งต้องเป็นเงินของคนป่วยบอกว่าช่วยเอาเงินนี้ไปซื้อของสังฆทานถวายพระให้หน่อยอะไรอย่างนี้คนคนสั่งคนที่เป็นเจ้าของเงินนี้จะได้บุญคำถามจากคุณเจเคค่ะ ที่เราทำสมาธิได้ไม่นานอาจเพราะเราเข้าไม่ถึงความสุขที่ได้จากสมาธิหรือเปล่าครับจะทำอย่างไรให้เราเข้าถึงความสุขได้ครับเพราะสติเรามีกาลังน้อยต้องพยายามเจริญสติบ่อยๆเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันเลยพอลืมตาขึ้นมาเราก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจแล้วใจเราก็จะมีสติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเวลานั่งสมาธิก็จะเข้าสู่ความสงบได้มากขึ้นได้ลึกขึ้น คำถามจากคุณนาริตะค่ะคนที่ทําบุญด้วยทรัพย์กับการทําบุญด้วยแรงกายได้บุญต่างกันหรือไม่เจ้าคะก็ขึ้น <c oughs> อยู่กับแรงกายที่เราทำนี้มีจํานวนค่าทรัพย์เท่ากับทรัพย์เท่าไหร่ <c oughs> ถ้าแรงงานของเราเท่ากับสามร้อยเราก็ได้แค่สามร้อยเหมือนกับคนที่บริจาคสามร้อยถ้าแรงงานของเรามีค่าถึงสามหมื่นเราก็ได้ได้ระดับสามหมืนก็อยู่ที่คุณค่าของแรงงานของเราว่ามีมากมีน้อย ถ้าเราเป็นอาจารย์เราไปสอนพิเศษนี่มันก็มีคุณค่ามากกว่าเป็นกรรมกรไปช่วยล้างซ่วมนี้คุณค่ามันก็ต่างกันประโยชน์มันต่างกันหมดหรืยังหรืออีกหนึ่งคำถามค่ะคำถามจากคุณโกถ้านําเงินของคุณพ่อไปทําบุญแทนคุณพ่อที่เพิ่งเสียไปคุณพ่อจะได้บุญไหมครับไม่ได้แล้วสายไปเสียแล้วถ้าจะทําต้องทําก่อนตายถึงแม้จะเขียนพินัยกรรมไว้ก็ไม่ได้ คนที่เขียนพี่นยกรรมบริจากร่างกายก็ไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญต้องบริจากตอนที่ยังไม่ตายให้ก็ฟักตับไปเลยฟักตายไปเลย <c oughs> บริจากเรื่ อ, องนี้ได้ได้บุญอยู่เพราะเรารู้ไงเรารู้สึกตัวว่าตอนนี้เราได้เสียสละของที่เรารักเราห่วงไปแล้วเราเกิดความรู้สึกสุขใจิ่มใจขึ้นมาไอ้ตัวนั้นนะคือตัวบุญแต่พอเราตายไปแล้วเราไม่รู้เรื่องแนละ้วว่าเขาจะเอาร่างกายเราไปทํำอะไรเราไม่รู้เรื่องนะ เขายาเงินทองเราไปทําอะไรเราไม่รู้เรื่องะเราไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องทําตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่หมดแล้วยังมีอินบ็อกซ์อีกหนึ่งคําถามาค่ะเราถ้าเราอยากน้อมส่งบุญกุศลให้เทวดาหรือเจ้ากรรมในเวรของโรงงานเราต้องทําอย่างไรคะทาบุญโรงงานประจําปีอะไรแบบนี้คะ่ะเออเทวดาเขาไม่รับบุญ เ, เพราะมันน้อยไปมันเงินให้ขอทานเทวดาเป็นเือนเศรษฐี เราส่งเงินให้ขอทานไปให้เทวดาให้เศรษฐีเขาก็ไม่เขาก็อนุโมทนาแต่เขาไม่รู้สึกว่าเขาได้อะไรจากการให้ของเราแต่ถ้าเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนี้มันอยู่ที่ว่าเขาเขาเป็นเปรตหรือเปล่าถ้าเขาเป็นเปรตแล้วเขามารอรับบุญอยู่เขาก็จะได้รับแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นเปรตไม่ได้มารอรอับ ร, รับบุญเขาก็จะไม่ได้รับบุญที่เราส่งไปโอเคหมดแล้วนะเราสมควรแก่เวลา